ได้สามีแบบนั้นภรรยาแบบนั้นเราชอบไหมเต็มใจไหมคนที่ไม่มีหลักใจอะไรเขาพูดอะไรก็คอยแต่จะหลงจะลอยไปตามเรื่องต่างๆโดยไม่ได้มีความตั้งมั่นในจิตในใจอะไรสักอย่างความหนักแน่นในนี้อารมณ์ขึ้นในจิตของตัวก็พัดตีไปให้ไปตามเรื่องของล ม, มนั้นนั้น คนอื่นพูดมาเข่าหูใจก็ติวไปตามลมปากของเขาเขาว่าดีก็ลืมเนื้อลืมตัวเขาว่าชั่วก่อเสียจิตเสี้ยใจเจ้าจุงง้อยเงาเศร้าโศคนแบบนั้นเป็นคนดีวิเศษไหมคนที่ไมนมีหลักจิตหลักใจหนักเนี่ยสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนให้มีสมาธิ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 นี่ก็เป็นทางทสี่พวกเราจะพินิตรเจรณ า, าสําหรับทุกท่านพออยู่ในโลกจะต้องพิจเจณาแก้ไขตัวของตัวเรอมของโลกเราจะแก้ไขให้มันลาบไปหมดทุกคนมันแก้ไขจะแก้ไขไม่ได้ถ้าแก้ไขตัวของตัวได้มันสะดวกสบายปัญญาข้อที่สามสี่พระพุทธเจ้าสอน ทำหลอดรู้ตามเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างนี่พระพุทธเจ้าก็สอนว่าเป็นอะไรไม่เป็นเขาพูดอะไรก็เชื่อไปอย่างนั้นเป็นคนทันสมัยคนดีวิเศษเราควรจะกินี้พิจรารณาหาทางสอนใจพวกเราอย่าไปเชื่อลมปากของเขาโดยถ่ายเดียวเพราะปากของคน มันเอาแน่นอนจริงจังไม่ดักแต่าหากเราเชื่อง่ายตามลมปากของคนมันก็ไม่มีความสุขความสบายทางศาสนาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เชื่อเหตุผลให้เชื่อตนของตนที่ประพฤตปฏิบัติเป็นหลักสำคัญหากเราประพฤตปฏิบัติตยทของเราดีมีศีลบริสุทธ พิของเราตั้งมั่นไม่วันไหวปัญญาของเราสามารถที่นีพิจารณนาะอะไรดูเห็นแน่นอนเขาจะตำหนิว่าเราชั่วเราเสียขนาดไหนนั่นเป็นลมปากของเขาเราอย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจตามลมปากเหมือนนั้นเพราะลมปากนั้นมันเอาแน่นอนไม่ได้มันอาจสามารถ ที่จะตำหนิได้จะชมได้คนชั่วเขาก็ดเป็นละเสริญคนชั่วด้วยกันคนดีที่ไม่ทำตามเขาไม่ทำชั่วตามเขาเขาอาจตำหนินินทามันก็เป็นได้ยิ่งอารมณ์ปากเป็นของไม่สำคัญกวาสสำคัญคือตัวเราเองตรวจตัวเราเองสิ่งที่เ้าว่าชั่ว าหากเราชั่วจริงเราก็ควรจะปรับตัวประพฤติปฏิบัติให้เราดีอย่าไปทำชั่วทำเสียให้เขาตาหนิต่อไปเขาบอกว่าเราชั่วเราเสียอย่างนั้นเราตรวจดู ว, ว่าเราชั่วจริงเราก็ยินดีที่จะรับทำตาหนิของเขาแล้วปรับปรุงกายวาจาใจของตน ให้ดีอย่าไปทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วอย่างนั้นมันเป็นคำสอนอันหนึ่งซึ่งเราจะมาวิจัยวิจารสอนตัวท้องตัวถ้าเขาว่าชั่วว่าเสียแต่เราไม่มีอะไรที่ชั่วเสียไปตามลมปากของเขาอันนั้นเป็นเรื่องของเขาเข้าใจเราคิดถ้าเราคิดได้อย่างนี้พิจาจรณาตัวอย่างนี้เรื่องต่างๆาจะสงบระงับ ทางตัวเองก็จะไม่หลงตัวเองโดยง่ายได้คำสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนมีเหตุผลในพิยาณาในตนขล่องตนประพติตนข่องตนเมื่อประพติตนข้องตนรู้ตัวข้องตัวไม่ตื่นลมปากของคนอื่นโดยง่ายดายแล้วจิตใจมีหลักฐานแกนสารตั้งมั่นทุกสิ่งทุกอย่าง เรารู้เห็นตามเป็นจริงมันก็าหายรงสัยเขาจะตาวตูดูหมิ่นขนาดไหนก็ไม่มีการบั่นไหวเขาจะสรรเสริญขนาดไหนแต่ใจเราชั่วใจเรายังเสียอยู่ไม่ดีพิเศษอย่างทำสรรเสริญของเขาเราก็ไม่ควรดีใจเพราะเรายังบกพ้่องอยู่เรายังไม่ดีพิเศษอย่างเขาพูดเราอย่าไปหืไปตื่นเต้นเรื่องเหล่านี้ มันมีอยู่ประจำโลกทัานเรียกว่าโลกบาดธรรมพระพุทธเจ้าพระองค์ก็เคยโดนมาเหมือนกันทำสรรเสริญทำนินทาทั้งสี่พระพุทธเจ้าพระองค์ทาดีตลอดมาไม่มีอะไรชั่วเชี้ยตามลมปากของเขาแต่เขาก็าเหาได้ปากคนมันไม่แปลกอะไรกันกับปากหมาไม่ว่าพระไม่ว่าโจนมามันเห่าทั้งนั้น มันทำนองเดียวกันคนที่ไม่มีอาจมีทำมันเห่าไปได้มันว่าไปได้แต่เราต้องพิจารณาตัวของเราว่าเขาเหา่าเขาว่ า, วามันถูกหรือไม่ถ้ามันถูกกวต้องประพฤติปฏิบัติตามแก้ไขสิ่งที่เขาตำหนิรักษาไว้สิ่งที่ดีที่เขาสร้าเสรรนี่เป็นทาง ที่จ ะ, จะเจริญแก่กายแก่จใจทของตัวไม่อย่างนั้นจะตะคุกเงาเรื่อยไปเขาสรรเสริญอย่างไรก็เหอ่อก็หลงถ้าท่าสีตัวไม่ดีไม่มีแก่สารสระอะไรแต่เขาสรรเสริญให้ว่าดีก็ดีใจไปตามท่านท่านสีตัวไม่ดีอย่างนี้มันก็มีทางเสียหากทาพูดของคนทาสรรเสริญของคนทตาตําหนิของคนเป็นผลอัน จริงจังแล้วพวกเราท่านไม่ต้องศึกษาไม่ต้องสอบพิสปฏิบัติอะไรสรรเสริญกันว่าคนนี้ดีวิเศษนะคนนี้มั่งมีนะไม่อดจนอะไรเข้าของเองินทองเต็มบานเต็มช่องเข้าของนั้นก็เกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องไปจากกรรมทำงานอะไรพอสรรเสริญออากันอย่างนะมันก็ดีขึ้นวิเศษขึ้น ถ้หาหากมันพ ล, ละเสือนได้ตามลมปากของคนนะนอกจากนั้นจะพ ล, ละเสือนคนนี้เป็นโซดาเศรษฐีทาทางอรหันเลยนะเพราะไม่มีกิเลสปัญหามาราธิคีอะไรจิตใจของผู้ผูกพ ล, ลเสือนก็เป็นไปอย่างนั้นจรงิงจังนันก็ไปลงมือต่อเพืปฏิบัติเขาตันนี้ว่าคนนี้ชั่วคนนี้เสียคนนี้ยากคนนี้จนฮะอยากหาจินไม่ได้ จิตใจตามตามอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันเสียไปตามลามปากของเขาเราก็เป็นไม่ต้องสั่างอาวุธสั่งสลางเจียงเกศปล่าวว่าดูถูกเมีนทาสาบแส่งให้มันตายมันก็ตายไปมันไม่ต้องไปข่าไปสร้างหารอะไรมันเป็นไปเมได้า เรื่องของจริงเป็นอย่างไรมันจริงอยู่อย่างนั้นเขาจะสรรเสริญหากมันไม่มีหลักความจริงมันก็ไม่เป็นไปตามคำสรรเสริญของเขาเขาจะนินทามันก็ไม่เป็นไปตามคำนินทาของเขาถ้าเราเป็นอย่างไรเราเป็นอยู่อย่างนั้นนี่จิตใจของนักสอบดึกนักปฏิบัติอัดทำเมื่อรู้เมื่อเข้าใจเห็นจริงอย่างนั้น เขาว่ามาพิจารณาตัวเองตามหลักเกยียนที่เป็นอยู่เข้าใจในตัวของตัวสม่ำเสมอไปใจไม่มีการบั่นไียงเอียงไปตามลมปากของเขาเราอยู่เป็นสุขในโลกสะดวกสบายการฝึกอบรมจิตการฝึกใจยึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้เกิดปัญญาสามารถรู้ทั่ว เรื่องต่างๆเกิดความหนักเนี่ยของจิตของใจด้วยการสอบพิปฏิบัติตามหลักที่พระพุทธเจ้าแน่สอนคือใปสีรขะศีลสมาธิปัญญาสามารถที่จะนำพาจิตใจของตัวเองให้รู้เห็นเด่นชัดจนหลุดออกไปจากโลกเข้าใจถ่วถึง สิ่งต่างๆอย่างชัดเจนระจากในตัวเองทำสรรเสริญนินทามันมีอยู่ทั่วโลกนัดผิดโลเกออ น, นันทิโต้ต้นไม่ถูกนินทาไห่มีในโลกจะดีพิเศษขนาดไหนเขาก็นินทาได้เข้าใจในตัวเองอย่างนั้นแต่อย่า ไปทำชั่วให้เขานินทาเราทำดีวิเศษอยู่เขานินทาเราอย่าไปเอียงเอียงหลงไหลไปตามคำนินทาของเขาเราเราเข้าใจในตัวของเราอย่างนั้นรู้เห็นเป็นจริงทุกอย่างปล่อยวางตามส ภ, ภาพของมันผ่านจึงว่าพุทธสโลก็ธํรมเมหิกิตตังยัสานะกัมปะจิ ัวลางวิาจังเจมังเอตมังคารมุตตมังในมงคลละตตุที่นันสาวไว้โลกก่าธรรมทั้งแสดคือลาบยศบรรเสสนุกนี่เป็นแง่ดีผีคนศาสนาเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาทุกนี่เป็นอีกแง่หนึ่งจึงมีอยู่ในโลกคนทั่วไปไม่ปราศนาแต่มันมีอยู่ เราก็เป็นคนคนหนึ่งเกิดมาในโลกเรื่องเหล่านี้มันต้องมีแต่เรานั่นถากเอียงไปตามเรื่องเหล่านี้เราจะไม่มีวันเป็นสุขสนุกสบายได้ปฏิบัติใจของตัวให้ถึงความเป็นจริงสราบชัดโดยปัญญาในตัวเองว่าจิตใจของเราเดียวนี้มีความลุ่มหลงเพิดเพิน ติดข้องกับอะไรเขาปันลาเสริญเหงื่หรือไม่เขาเนินทางอยเหงาเจ้าจุกไหมดูในตัวของตัวทราบดีว่าจิตนั้นในเกี่ยวข้องไม่สัมผัสยังลมเกิดขึ้นหรือไปไปหายไปไม่ได้เจ็บไม่ได้รักษาไม่ได้นำมาให้ตัวเกิดดีเกิดชั่วเพราะอารมณ์นั้นนั้น ใจของท่านที่ประพฤติปฏิบัติได้พ้นจากโลกกรรมำทั้งแปดท่านจริงอยู่เป็นสุดอยู่สบายเพราะรู้เท่าเรื่องของโลกกรรมไม่หวั่นไหวมีจิตกระเสมมีจิตดิเศษเข้าใจ รูปตาจากในตัวของท่านเมื่อเป็นอย่างนั้นเขาจะสรรเสริญกดีนินทาก็ดีท่านจริงไม่มีอะไรที่จะได้จะเสียกับเขาเราทุกคนหากปฏฤฤฤฤฤฤิบัติรู้เห็นเป็นขึ้นอย่างนั้นก็จะมีความสุขความสบายอยู่ในโลกเดือดร้อนวุ่นวายแต่ก็ ไม่มีอะไรที่จะทำจิตทำใจให้เสียหายให้วุ่นวายไปตามเขานี่คืออานิสงส์กาปรปฏิบัติตามอัดคำคำสอนของพระพุทธเจ้าเริ่มแต่เรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะเกิดวิชาวิมุตต์ใตจากในตัวของตัวหากเราไปเข้าใจตามลมปากของเขาว่าศาสนาเป็นของ ลาสมัยเป็นของทวงโลกไม่ให้เจริญแล้วไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวข้องในที่นี้ที่เจรณาเราหลงไปตามเรื่องของกิเลสปัญหาหลงไปตามเรื่องของโลกเรามีความสุขสนุกสบายเียงพอบริบูรณ์หรือไม่หากเราสนุกสบายวิเศษเสริจแล้วก็ไม่ต้องศึกษาอะไรเพราะความจบความสิ้นมันอยู่กับใจถ้าใจเห็นใจรู้ ใจหลุดใจพ้นจริงจังมันไม่มีอะไรที่จะสงสัยไม่มีอะไรที่จะทำให้เจริญขึ้นอีกได้ไม่มีอะไรที่จะเสื่อมลงไปนี่คือใจที่บริสุทธิ์ใจเป็นมีมุตเราเห็นเราเป็นหรื อ, อยังหากเราเห็นเราเป็นแล้วเราก็ไม่มีทางที่จะสงสัยไต่ถามพอเราเห็นเราเป็นจะปูดในีเขาฟังหรือไม่ปูดเหี่เขาฟังเราทราบอยู่ในตัวของเรา เขาจะเอาอะไรมาให้ให้รางวัลคะแน น, นอย่างไรมันก็ไม่มีการตื่นเป้นหลงไหลไม่มีใครให้คะแนนอะไรมันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นเพราะความจริงไม่หนีความจริงไปไหนพระพุทธเจ้าตรัสรู้พารู้เห็นความจริงอย่างนี้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโลกรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่บริสุทธ คามบริสุทธิ์เป็นอย่างไรเราเกิดมาไม่เคยเห็นเคยเป็นประพฤติปฏิบัติมาระยะยาวนะแต่ก็ไม่เคยเกิดเคยเห็นเคยเป็นอย่างนั้นความสงบกัเคยสงบความละเอียดทุ้งขีดตัวเคยละเอียดความเสื่อมความเจริญเคยผ่านมาพอมันหลุดมันหมดไปจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจะสงสัยเพราะสิ่งที่มันหลุดก็เราตระหู จากการปฏิบัติของเราไม่ใช่คนอื่นมาสมมติหมให้คนอื่นมาบอกให้พอเราดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราทานอาหารมันอิ่มเป็นอย่างไรคนใบ้นันก็รู้จักเด็กเกิดวันนี้วานนี้มันก็รู้จักทั้งที่มันพูดมีเพนมีความเห็นความเป็นของจิตผูกหรือปฏิบัติก็ทํานองเดียวกันท่านจึงไม่มีทางสงสัยไม่มีอะไรที่จะเป็นากระงกถา ในใจทั้งท่านีการปฏิบัติผลของศาสนาผลของผู้่ั้งหน้าปฏิบัติประเสริฐอย่างนั้นดีเศษอย่างนั้น ท, ทั้งทั้งสิ้นไม่มีใบประกาศนียบัตรอะไรแต่ก็ประเสริฐดีเศษสําหรับท่านเพราะท่านไม่หวั่นไหวเพราะท่านไม่มีความิดข้องอะไรอยู่ในโลก สะดวกสบายตายอยู่ไม่เป็นปัญหา<ะ>เพราะจิงที่สัาถนาะท่านเข้าใจท่านเห็นไปจากในตัวของท่านความอยากหมดไปอยากอยู่อยากตายไม่มีอะไรไงนันจะอยู่ไปอีกหมื่นปีแสนปีความดีจะเกิดขึ้นไหมถ้าไปจากชัดเจนในใจทั้งท่านความบริสุทธินั้นเป็นเชองบงบอก เปิดเผยไม่มีอะไรปิดบงังเมื่อถึงขั้นถึงขีดถึงความบริสุทธิ์แล้วทุกคนที่เป็นคนฉีตสงสัยจะหายได้จากความเห็นความเป็นของตัวไม่มีทางสงสัยดันั้นขอผุกคนจงตั้งใจต่อเพื่อปฏิบัติมรรคผลไม่ได้อยู่ที่อื่น อยู่ในพวกเราที่มีกิเลสปัญหาทุกคนนี่แหละขอให้ตั้งใจที่นิ้พิจาณาศึกษาประพฤิปฏิบัติตามอัตถรมที่พระพุทธเจ้าสอนอย่าไปเชื่อเรื่องของกิเลสมุ่งมั่นตั้งใจทมจริงจังสอบอยู่ในโลกอยากกลําลรวยอยากมีความสุขอยากมีฐานะดีก็ทำตามประโยชน์ปัจจุบันกอบ เกิอชอบตายเยียนว่าอีกอยากมีความสุขความเจริญขอทำประโยชน์สันว์คือศรัทธาสัมปทาเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อกรรมบ่ตทำดีแต่คนดีทำชั่วดีผลชั่วปัญญาทินิพิเจนายจริงจังยีะระสัมปทา ยาพะสัมปทาปัญญาสัมปทาที่สอนไว้นั่นคือประโยชน์ขั้งหน้าประโยชน์อย่างยิ่งผมอ่านที่นี้ที่เจนาอริยสั์ทุกสมุทิไทยมีโลดมัดทิ่เจนากายใจคงคนควรเหน่นงางารคามยิ่งจะเกิดขึ้นโดยที่เลยมีคนอืน่นหามาให้ พอถึงความหยิ่งท้องใจถึงความบริสุทธิ์ท้องใจจะทราบจะเห็นเด่นขึ้นจากกา ร, รปฏิบัติทั้งตนนีเน่เรื่องของธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนมันมากเราจะพูดไปแต่จาบั น, บานเกิดจนกระทั่งมันตายมันก็ไม่มีเวลาจบเวลาสิ้นบัณฑิตนักปราชญ์สาวก ของพระพุทธเจ้าจะมีปัญญามากมายขนาดไหนก็ไม่มีวันที่จะอธิบายธรรมะตามเป็นใปของพระพุทธเจ้าที่รู้ที่บัญญัติเอาไว้ที่ท่านเข้าใจให้ทั่วถึงเหมือนกันกับห้ากัตายที่เอาลงไปจุ่มในน้ำมหาสมุทรมันติด หาติดเท่ากระตายมาขนาดไหนน้ำที่เหลืออยู่ในมหาสมุทรขนาดไหนพอทํำนองนะั้นความดีคว า, ามวิเศษของพระพุทธเจ้ามากประโยชนิเศษดีเด่นยิงจังท่านจริงเป็นจอมปราสลาดคมยิ่งกว่ามนุษย์เทวดายินทมยมยักษ์พวกให เราทานทีมีปัญญาแข้หางอื่นแล้วอวดตนคนตัวมีปัญญาดีวิเศษยี่เล็ดขมขีดบีบบังคับตัวอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จ่สำลักสาสามันควรหรือไม่ทีแต่าตัวเป็นผู้ดีวิเศษจ้ กำจัดกิเลสของตัวเขายังกำจัดไม่ออกนี่พระพุทธเจ้าท่านกำจัดได้ทำละได้บริสุทธิ์ขุดของทุกอย่างแล้วแนะสอนคนผิดควรแนะสอนให้รู้เห็นดีเด่นเป็นธรรมไปได้นับจำนวนไม่ถ้วนพระพุทธเจ้าเป็นนักบวชในทำประโยชน์แก่โลกอย่างไรหรือหาท่านเอาเกียบอีหลังนัง่งคอฟาโร ก, กินอยู่เท่านั้น พะในศาสนาพุทธมีอาจมีธรรมก็เหมือนกันให้พี่เจริญนะอย่าไปกล่าวตูดูหมิน่นว่าท่านกินอยู่บนหลังคนความจริงท่านทุกยากลำบากในการต่อเพื่อปฏิบัติไม่ใช่เล่นงานทังโลกใครก็เคยทำกันมาจะยากจะลำบากขนาดไหนแต่งานที่จะขับไล่กิเลสออกจากใจหนักกว่านั้น ไม่ใช่เล่นๆถ้าหากยังกลัวตายอยู่ข้ามจากความตายไปไม่ได้ความเห็นของใจกต่ยอมเสียสละในว่า ก, การน่ะการเดินการอดนอนข่อนอาหารทุกอย่างทั้งท้งสี่หนีมีใครบังคับบัญชาแก่ท่านกว่าบังคับบัญชาตัวของท่านเองถ้ามีคนอื่นมาทำอย่างนั้นฆ่ากันตายนับไม่ช่วนเพราะความหิว ในธานุในขันธ์ใครก็มีทุกคนนี่นะากนนารบัรพัาบรรจงกว่าจะได้ธรรมะ ม, มาสอนโลกสอนตัวเองให้เป็นไปไม่ใช่ทองเล่นๆ เ, เดี๋ยวคนที่มาว่ามาดา่ามันง่ายว่าท่านไม่เอาฐานอะไรมันบาดาแต่ตัวขวงเขาเองจับบรนพธรามะามาพปฏิบัติในศาสนามันจะเป็นไปได้แค่ไหน หากมันดีจริงจังมาทดลองกันดูจะรู้ความดีของคนนี่เพียงแค่ลมปากมาเห่ากันนี่ไม่เอาเชื่อพระพุทธเจ้าไม่ไเชื่อคนอื่นพุทธทงังสรณนังผัสฉานนี่รือว่าพระพุทธเจ้าเป็นสรณะไม่ถือว่บาบ่าบอกสรณังขัสฉานกูนับหรือาศาสนาตวอมพิจารณาอย่างนั้นยึงจะสะดวกสบาย การอธิบายธรรมะวันนี้ผมดูมันจะเลยเกิดไปแล้วเพรดะฉะวั้น